หลังไปจะเอาสุขจะ อ, อย่างไรจะเอาทุกข์จะ อ, อย่างไรนี่เขาจะเห็นเส้นทางไหมวันนี้จะสุขสักวันหนึ่งเนี่ยรอะวันนี้ต้องทุกข์สักวันหนึ่งเนี่ยเอาได้แล้วใช่ไหมวันนี้ฉันไม่จะการทุกข์เลยเนะี่ยฉันจะทำสุขให้เกิดขึ้นเลือกได้แล้วยังเขารู้ทางเรานี่ใช่หมใคร ข, ขืนไปทางที่ไม่ถูกที่ทางที่ต้องการนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ ฉันผ่องหลังจากฝึกไปแล้วนี่ไปเรื่องเส้นทางของตัวเองประจำวันได้เรียนวันนี้ต้องการสุข ก, ก็สุขได้วันนี้ต้องการไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้เลยใช่ไหมนั่นลองเล่าให้เพื่นฟังออกไปได้ประมาณสักเดือนนับเมืในไห่ด้เราฝึกถึงนี้งฮะประมาณเดือนนะแล้วมันจิตวิญญาตรงนี้เล่าให้เพื่นฟังนะมันเอาไปใช้อย่างไงพัฒนายอย่างไร ผ ล, ผลจากการฝึกนะครับแต่ก่อนนี้เป็นคนที่ที่ชอบหงุดกิดมีความหงุดกิดอยู่ติดอยู่ในตัวเป็นประจำแล้วก็เวลาขับรถชอบโทษแต่คนอื่นนะจนกระทั่งลูกเตือนแต่ก่อนนี้ถึงขั้นพารุษวาสเลยว่าคนในรถแต่เขาว่าไม่ได้ยินหรอก จริงๆเราก็คือเราได้ยินตัวเองกันแหละแต่เราไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่าเนี่ยเรากําลังเพ่งจ้องเพ่งโทษด่าทอคนอื่นหรืออะไรทํำนองนี้แหละครับแต่พอมาฝึกเนี่ยมาฝึกที่จริงผมฝึกตั้งแต่วัดป่าสมพนัทนะครับที่ไปฝึกกับหลวงตาอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ที่ไปฝึกแล้วก็ ที่หลวงตาสอนให้ให้สู้กับความง่วงในวันแรกๆพอวันที่สามก็ให้ไปเดินแล้วก็ไปสังเกตความคิดรู้สึกว่าเวลาฝึกแบบนี้มันมันเหมือนมีขั้นตอนเป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งให้สู้กับความง่วงขั้นตอนหนึ่งให้เห็นความคิดแล้วก็สอนให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวสอนเรื่องต่างๆหลัเนื้ ทีนี้ฝึกไปฝึกไปเนี่ไอ้ความหงุดหงิดครับค้องใจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงรู้สึกว่ามันลดลงแล้วก็รู้สึกว่ามันโปร่งเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทําใจนี่มันรู้สึกทําใจได้ง่ายไม่ว่าจะเกิดปทาทะการอะไรครั้งสุดท้ายนี่ไปวาดรูปอยู่ที่ตอกสารเจ้าลงเกิด ที่ตลาดน้อยครับมันมีโครงการของสถาปนอสมศิน์ไปทำอาร์ตสตรีทเพื่อให้ไอ้พวกเพื่อให้คนท่องเที่ยวหรือคนที่ไปเดินทางนั้นน่จะได้มีความสุขเวลาเดินผ่านไปจะเห็นรูปที่เราวาดเห็นศิลปะที่เรานำเสนอก็ไปวาดรูปในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกมันก็ต้องช่วยกันทำเอาละคันนี้ พอไปขึ้นรูปแล้วขึ้นรูกกับลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนี้เขาชื่อชุมพลเขาเชื่อถือเขาได้ว่าเออผมก็ไหว้วานเข้ามาเองไว่ า, วาเข า, าขึ้นรูกให้ก็เขียนเรือเขียนรถลากอะไรกันทีนี้ก็มีน้องๆอง่ะทั้งสถาปนิกทั้งอะไรเนี่ไปช่วยกันตัดเส้นไม่พอใจละไม่พอใจรู้สึกห่วงขึ้นมาละหวงรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาละทีนี้ก็ มันนึกออกว่าที่จริงเรานี่มาวาดรูปสาธารณะยังมามามีความทุกข์กันเรื่องบ้าบอๆก็นึกขำตัวเองเหมือนกันบางทีมันยังติดอยู่มันมัจฉ า, า ย, ยะขึ้นใหม่แล้วมันหวงหวงหวงงานหวงอะไรแต่ตแต่นี้ตอนนี้ทําใจได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สบายโปร่งนะเ อ, อเขาช่วยทาเสร็จก็ดีแล้วแม้จะไมเ่เข้าเป้าเราบ้าง ร, รูปสาธารณนะมันก็ดีๆช่วยช่วยกันไปวยกัน ก็ <c oughs> คิดว่า เ, เดี๋ยว ต, ต้องไปช่วยเขาเองครับก็ผมว่าฝึกอย่างนี้มันบรรลุกรรมธรรมชัดเจนคือแล้วก็มันก็แยกออกสมถะผมนี่ฝึกทางสมถะกับพระสมุส ม, สมนึกที่ปักไม้ลายตอนนั้นพากันไปที่ระยองตอนนั้นท่านประชา ย, ยังไม่ยังไม่เสกหลวงพี่ประชา ย, ยังไม่เสกตอนนั้นกาชวนพวกนักพัฒนาอีสานไปฝึกกันที่ระยอง ผมฝึกจากนั้นเนะี่ยผมฝึกจนได้มาดเนนะ่ยหลงวงพ่อได้มาดเนนะี่เหมือนน้าตกน้ําตกพุ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวหายไปนะแต่เพราะไม่มีครูบาอาจารย์ไปไม่รอดไปไม่รอดก็ อ, อยู่แค่นั้นนะสวดกับพระพระสมุมสมนึกวัดปักไม้หลายทางไปนครปฐมเขาต่อกับทางไปเมืองการจน์แนั้นนะครับที่ท่านอยู่ที่นั่นแต่จริงๆว่ไ ป, ไปฝึกกันที่ระยอม แล้วก็ในสายนี้รู้จักกันมานานแต่ไม่ได้ฝึกเพิ่งมาฝึกจริงจังแล้วตอนไปวัดหลวงตานะครับฝึกเคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะโทม่ามันก็เป็นลูกประธรรมนะแล้วก็เป็นขั้นตอนทำไปเนี่ยเราก็จะจะรู้ตัวเองว่าเราเได้อะไรมาขนาดไหนแต่เพียงแต่ว่าต้องขยันทำเท่านั้นเองขยันขยันขยันเคลื่อนไหว แล้วก็ประทับใจที่ที่หลวงพ่อเทียนสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนี่ผมก็ตั้งข้อสังเกตหลวงพ่อเทียนบอกมอง ใ, ใกล้ๆมองใกล้ๆยกมือขึ้นอะไรทำนองเนีน้วันหนึ่งที่ผมมาฝึกกับหลวงพ่อวันใกล้ๆจะวันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายผมผมเหมือนมีสมาธิรวมมันใก้ผลเลยครับน้ำตานี่ไหลมาเปียกเสื้อหมดเลยมันนัเห็นสภาวะสภาวะนี้ย ที่มันเหมือนสว่างอยู่ต่อหน้าพักหนึ่งแล้วก็ลําลึกถึงบุญคุณของหลวง่อเทียนที่เอาเอาวิธีนี้มาเผยแพร่ลําลึกอย่างลึกซึ้งเลยนะครับอันนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งของที่มาฝึกแบบนี้แล้วมันเกิดผลขึ้นครับแล้วก็ลดโล่งนะครับไม่เราไปติดอะไรเราก็ถอนได้ง่ายมืนว่าไปห่วงอะที่ที่จอดสังเจ้าหลวเรื่องนี้แป๊บ เ, เดียวเดราก็ทําใจได้เราก็พิจารณาไวขึ้นถ้าวันนั้นเมื่อก่อนก้โกรธแบบนานเลย กโกดนานเดี๋ยวนี้ก็าหายไวครับครั บ, บ ท, ำรทำครับก่อนนอนก็ทำครับทำท ำ, ท, ทำก็บางครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งหรืบางครั้งก็สิบ้านาทีสิบานาทีก็มีแต่ถ้ามีโอกาสจะทำยาวครับทำนานๆทาทำจนรู้สึกสบายโล่เหมือนเหมือนไปล้างอะไรออกจากแต่ละวันแต่ละวันเราอาจจะสะสมเข้าไปใหม่ก็ไปยกมือนี่ล้างออกล้างออก พยายามล้างพยายามล้างสิ่งที่มันติดอะไรเราไปข้างในครับรก็ส่ว น, น, น, นใหญ่แล้วเวลาผมสอนจรยิยศิลป์ผมใช้เลยนะครับผมใช้เรื่องลักษณะการมองข้างในเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยการย้อนมองตัวเองของคนในสังคมมันมีน้อยผมก็สอนผ่านในงานเลยว่าเวลาทำงานในหุหดนยนต์ไม้ติดขัดอะไร แล้วงานศิลปะนี่มันมันง่ายครับที่บอกว่าพอดีมันตรงไหนเนี่ยความพอดีมันอยู่ตรงไหนหรือว่ารู้โดยรู้รู้โดยไม่ต้องคิดได้ไหมมันเป็นคําถามสําคัญนะครับรู้โดยไม่ต้องคิดเนี่ยถ้าคุณจุ่มสีเยอะแล้วไปเขียนผนังตั้งๆเนี่ยสีเต็มบุกการอยู่แล้วไปตัดเส้นก็จะไหลโจกเลยรู้ทันทีเลยว่าอันเนี้ยไม่พอดีล่ะไม่เอาไปปาดสะ่อนที่จะเลียงเส้นนั้นพอดีในศิลปะมันพูดเรื่องนี้กันได้ง่าย หมือนให้เขาปูหลายเ่ยปลายเข็มเว้นปลายเข็มเราไปดูกติกาเราบอกว่าเว้นปลายเข็มเว้นปลายเข็มปลายเข็มเว้นไปห้าปลายเข็มแล้วไปปูแล้วก็ไปบอกอันนี้คือฟังอย่างฟังไม่ได้เลยนะมันต้องเอาใหม่นะต้องเว้นปลายเข็มทํำยังไงนะมันก็จะมีวิธีครับเวลาจะสอนและให้รายละเอียดให้อะไรต่างๆมันก็จะดูครับไในตัวเองเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับหลวงพ่ เป็นเบื้องต้นที่จะเอาพิจารณาข้างในของเขาครับใช้ศิละปะใช้ศิลปะไปดูดครับก็ก็ใช่ครับในความละเอียดในการสังเกตในความละเอียดอ่อนต่างๆในในศิละปะมันจะมีปรากฏอยูค่ครับการตัดเส้นเนี่ยตัดยังไงให้มันเส้นมันลาบลืน่นจุ่มสีพอดีตัดได้สวยอะไรเนงะี้ยหรือการลงสีลงยังไงให้มันเรียบอย่างเงี้ยครับ อันนี้มันกม็มันก็ต้องสอนตั้งแต่สติกันทั้งนั้นเลยว่าจะต้องมีสมาธิมีความจดจ่อมีความต่อเ น, นื่องและรับทักษะการทำเพราะว่าผมสอนผมสอนจิมบัตไทยสอนแบบเทคนิคคนโบราณเลยครับจริงๆริงจิัไทยนี่ก็เป็นของครูบาอาจารย์เป็นพระทั้งนั้นเลยที่ผ่านมากระครวญมามาทํากันทีหลังเขาเขาอยู่ในวิชาที่สอนด้วยครับ ใช้คําว่าจารยิยาศิล์แยกออกจากศิละปะทั่วไปของที่อื่นๆเสอนกันนําไปใช้เลยครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปสอนนักเรียนในตอนสองกลางคืนไปสอ น, สนครับจร <c oughs> ิยาศิล์นนี่ครับครับพาทำครูบาอาจารย์ก็พาทําครับแล้วก็ให้ให้เขาทําเรื่องนี้แล้วก็มาให้เขาสังเกตว่า ไอ้สมาธิที่ยกมือกับสมาธิที่วาดรูปนี่มันการเคลื่อนไหวมือแล้วเขาเห็นต่างเห็นร่วมกันยังไงอะไรก็คุยกันครับทำให้เขาได้พิจารณาข้างในครับมองเข้าไปภายในสังเกตสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในเห็นไหมว่า การเจริญสติเนะี่ยสามารถเป็นประยุกต์ใช้ในทุกๆ ก, การทุกงานทุกวิชาที่เราทําอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าการที่เราจะนําไปวิจัยเนี่ยเราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามาเห็นว่ามันเป็นศิลปะของชีวิตนะ่ย the art of life เป็นศิลปะของชีวิตว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้งดงามให้สุขุมให้เยือกเย็น ให้พอดีให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยโอ้มันมันใช้ได้เยอะอีกจริงๆ น, นีเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอริยะทรัพย์หรืออริยสมบัติเป็นสมบัติอันประเสริฐซึ่งสมบัติต่างๆที่เราหาได้พวกขสมบัติทั้งหลายเนรนฟ้ารุนแผดินเอาไปไม่ได้นี่นแต่อริยทรัพย์มีเอาไปได้ทุกเม็ดเลยเอาไปได้ทุ ก, ท, กทุกจุดดังนั้นพระพุทธเจ้า ท, ท่านตรัส บ, บอก พิสูจทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายได้ชีวิตมาเนี่ยเหมือนกับได้มอดินมาแต่ว่าเธอจงเอามอดินเนี่ยมาแลกเอาหม้อทองคําซะหมายให้ผมมาเปลี่ยนชีวิตจิตใจที่มันมีกิเลสเนี่ยให้เป็นมีธรรมซะอย่างั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าท่านเปลี่ยนชีวิตผุ้ดชนทั้งหลายเหมือนมอดินเพราะมันแตกง่ายแตกแล้วก็ซ่อมยากนะ แต่ก็ซ่อมยากเวลาไปใช้ก็ใช้ไม่สะดวกมันค่าจะแตกแกเสียอยู่เลยจิตเขาปุจิชน์หนุนๆเวลามันร้าวมันรานขึ้นมาเนี่ยมันมันมันตกแต่งยากมันมันมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมที่จะตกแต่งได้ทันทีแล้วในช่วงที่ใช้ก็ใช้ไม่ได้ดีเราใช้ด้วยความโรกความโปวดความหลงแต่พอเปลี่ยนเป็นหม้อทางคำหมายควาะว่า มันใช้ได้ดีไม่แตกง่ายแตกแล้วก็สามารถซ่อมได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีทนได้นานเหมือนกับจิตใจของเราฝึกฝนดีแล้วเนี่ยเป็นจิตใจที่ไม่แยกแตกร้าวอะไรกับใครได้ง่ายถ้ามันมีอะไรมากระทบให้กระแทกให้เปลี่ยนไปก็ทำข้อหารูปเดิมได้ง่ายแล้วในช่วงที่ใช้ก็ปลอดภัยเพียงเราเนะมันคุ้มค่ากันแต่ทาไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ตระหนักเห็น คุณค่าของอรียซัพย์อันนี้ก็เพราะว่าเขายังยังรู้จักคุณค่ายังไม่ชัดเจนเพราะเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ไม่คุ้นเคยแต่พอนึกถึงเรื่องราวของพวทรัพย์ทรัพย์สมบัติต่างๆที่เป็นวัตถุระเยื้องออกง่ายเพราะมันเป็นดุพธรรมแล้วก็เราเคยใช้เคยสอยมาหลายภพหลายชาติเพราะมาชาตินี้จึงสื่อได้ง่ายได้ไว แต่ในเรื่องของอริยรัพท์ที่เราเคยสั่งสมมาในอดีตมันจะมีมากมีน้อยเราไม่รู้คนไหนที่รู้สึกทำได้ง่ายทำได้ไวทำได้เร็วก็หมายความเเคยสั่งสมมาในอดีตแต่คนไหนที่รู้สึกมันฝืดมันฝืนมันอัดมันอั้นมันตันมันตื้นและเกินนี้ก็เรียกว่าเราไม่เคยสั่งสมมาก่อนเราก็ต้องเพียนเอาไว้ตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันมากขึ้นแล้วมันจะง่ายขึ้นคล่องขึ้น ดันั้นเองก็ควรจะสมทุ ก, ทกระยะการเก็บไปทุกฝีก้าวทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวเก็บไปเรื่อยๆเก็บด้วยความเข้าใจนะถ้าเก็บด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะเกิดความหลงไหลไปอีกแบบหนึง่งเกิดความข้ังไค้ไหลหลงไปอีกแบบหนึง่งแบบงมงายมันไม่ใช่แบบรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ไม่ใช่ประโยชน์มันจะทาด้วยความหลงไหล คามงมงายอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทดลองวิสูจน์ใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงอันไหนที่ไม่ได้ผลคัดแยกออกไปอันไหนทีใช้แล้วได้ผลเอามาใช้บางทีเขาว่าได้ผลดีพอเราไปทำแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกกับเราเราก็ต้องมาปรับวิธีการใหม่เพราะฉะนั้นตรงที่มาได้กล่าวไปวันก่อนว่าผู้นักศาสนาคือฉลาดในการใช้ทุกสิ่งให้เป็นอุบายเพื่อให้เกิดธรรมนั่นเอง Rescue in mean ฉลาดในอุบายคำนะว่าฉลาดในอุบายคือมีกุศโลบายมีกุศ ล, ลจิตตลอดเวลาแต่กุศ ล, ลจิตคำนี้ก็หมายถึงว่าจิตที่มันมีคุณสมบัติห้าประการหนึ่งเป็นจิตที่มักความซื่อความสะอาดเป็นประจำอะไรที่จะทําให้จิตนี้แปดเพื่อสกปรกไม่อยากคิดไม่อยากทาด้วยนะอันนี้จิตที่เกิดกุศลง่ายสอง <c oughs> เป็นจิตที่มี ความว่องไวแววไวไม่จิตที่ทึบทๆหรือจิตที่หมกมุ่นโมโ ม, มอะไรนานเกินไปแต่ว่าออกมาจากสิ่งนั้นได้ไวสามเป็นจิตที่มีะส่อเสริญหาสิ่งที่ดีๆใส่ความรู้สึกตัวเองอะไรที่จะํำให้ความเสียความรู้สึกไปทางที่ไม่ดีก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นคือไม่ไม่ยุ่งกับสิ่งที่ไร้สาระมถ แต่นหนที่เป็นสิ่งที่เป็นได้สาระเขพยายามสรรหาสิ่งนั้นอันที่สามอันที่สี่มีความอดท น, นทุกสถานการณ์ใช้มีความอดทนอดกัน้นเป็นพิเศษไม่ไม่ไมทอ้อถอยมีความบักบันขยั น, นประการที่ห้าคือมุ่งสิ่งทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นก็ไม่เสียเวลาทําไม่เสียเวลาพูดไม่เสียเวลาคิดด้วยเอา เวลานั้นว่าทําให้เป็นประโยชน์อยู่ปีอยู่ห้าอย่างเนี่ยท่านจึงเปรียบกุศลเนียจิตเหมือนแยกคาคําคว่าแยกคากุศลเนี่ย ม, ม, าามารากสามาเดียวกันแยาคาภาษาอินเดียก็แยกกุษาใช่ไหมเคยได้ยินไหมแ ย, ยากุษาก็าาคือยากุศลนั่นเองยกกุศลเอาคําว่าแยากกุษาเนี่ยมันจะเป็นชื่อของคาว่ากุศลอาจารย์ผ่อเคยได้ยินคํานี้ไหมไม่เคยเ ประวัติของยาคาที่ผู้นิจเจ้าผส้ดที่ยาความถวายผู้นิจเจ้าแปะเมือนเอายาคาเนี่ยถวายทําไมไม่เอายาอื่นถวายก็หมของว่ามว่ า, า, าไม่ใช่ที่มักแปะมักแปะเอามาถวายคือหมายถึงเป็นอุบายอะ่ะหมายเพราะว่าตัวปัญญามันเกิดเป็นกุศลดังนั้นก็เรา ต้องไม่ท้อถอยนะในการทำไปเรื่อยๆทำอย่างสนุกสนานทำอย่างเหมือนกับเราหาเพชรหาพลอยอ่ะเพชรหาพลอยแล้วรู้สึกรู้ถึงซึ่งถึงคุณค่าและรักษาเก็บไว้ใช้อย่างดีนะแล้วพอเรามีเยอะๆไปแล้วเราก็จำหน่ายแจกแจกไปให้เพื่อนได้มีความเข้าใจยิ่งใจก็ยิ่งเพิ่มยิ่งใจยิ่งเพิ่มนะอันยศ แต่ถ้าพวกเขาทรัพย์ยิ่งใจยิ่งหมดแต่อริยทัพย์ยิงใจยิ่งเพิ่มอันนี้คื อ, อคุณสมบัติที่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้เราได้ฟังอาจารย์ที่ยุทธซึ่งก็ได้นําเสนอรายละเอียดที่เราทํามาเป็นกระบวนการต่อเนื่องเรื่องรูปนามเรื่องคันห้าเรื่องอริยสัจ แล้วก็เรื่องของความแตกต่างสมถะวิปัสนาที่หลายคนกําลังสงสัยไม่ไม่ชัดเจนอยู่ก็เอามานําเสนอตัวนี้หย้ยสงสัยแล้วชัดเจนแล้วเนาะอ่าหาชัดเจนแล้วผูวน้นี้ต้องทำให้ชัดเจนกันแล้วกันก็ก็บรบูนาสาธว์ดูแลกลับมาฟังกัน